Namo tassa Bhagavato dano wa wanguti sing vimacca dhamma pariyattang อะไรธรรมะบวชเป็นพระภิกษุหรือไม่ได้บวชแต่ก็ ไม่เราทั้งหลายมาเพื่อการบ้างเราทั้งหลายศึกษาเพื่อความรู้ พระในทางในเมื่อเราได้เกิดแล้ว เราก็จะได้ขอให้เกิดความเข้าใจหรือการๆเกิดมีขึ้นเป็นขึ้น ในสอนกงสอนก็ว่า ซึ่งเป็นเป็นวิชาความรู้ควบคู่พร้อมกับการศาสนานั้นก็ เพราะในสิ่งต่างๆจะรู้สิ่งต่างๆสิ่งสิ่งทั้ง เป็นไปกับเรื่องของความดีกับเรื่องของความดีความถูกเรื่องของความ ไม่ก็ดีก็ดีส่วนแต่เป็นเรื่องที่พวก มีขึ้นเป็นขึ้นในกายในจิต มีมาสู่ยังวิหารหลังนี้ก็เข้ม ด้วยการฟังบ้างด้วยเป็นการเวลาที่ประพฤติ เรียนรู้เรื่องจิตใจของตนของตนจิตใจคือธาตุ ใจธาตุมีอยู่เป็นอยู่ความรู้ลี้สุดมา มากถ้าเราจะมองให้กว้างออกไปเป็นธรรมธาตุที่ มีวิญญาณเครื่องรู้แล้วเราก็ อย่างมากมายมากมายมากกว่าภาระภายนอกเป็นต้น ก็ทําเพื่อเป็นการแสวงอีกที่มันมี เราจะต้องจะต้องรับความทุกข์เกิดโรคมีความหิวและความกระหายประจำอาศ สิ่งสร้างหรือพบฉันแล้วก็ยังมีอีกมากมายกายบริโภคคําว่าบริโภค ลุ่มอมปกติอวัยวะน้อยใหญ่ตั้งลุ่มอมเพื่อตั้งกันความร้อน บ้านหรือเสนานะที่อยู่ที่อาศัยก็จําต้องทั้งทั้งที่ไม่ต้อง นี่การเกิดขึ้นเราด้วยแล้วมองถึงการเกิดขึ้น การคอบครองและมีสิทธิ์ในการที่ จากตัวของเราผู้บริโภค และสิ่งเหล่านั้นสิ่งเพื่อให้มันได้มานั้นก่อนที่เราจะทํา ตนแต่เราที่จะกระทำช่วยมันได้มา ที่ถูกทางถูกทางมันปิดทางปัญหามาสู่ตัวของ การกระทําซึ่งเป็นตัวเช่นเราแสวงหานิยมกับความ ว่านอกจากนั้นแล้วการกระทำที่ชอบ ไม่มันก็เปิดความเป็นปัญหาเวทินด้วยธรรมนี่การกระทํา ไม่เป็นฝ่ายเพื่อความ เพราะการกระทําเครือมันได้มาแล้ว ก็คือการตําลึงทีเดียนอย่างหาหรือกระทําโดยไม่ ที่ไม่อยู่ในกรอบเป็นโทษผิดคายของศีลธรรม But ja ngầu Né tùa con l'học Chẳng đầy lứa M'n gà chè tít tàm Khoi but hãy như bì thà Hãy l'au đầy lắc Quam khúc vượt ron But ja rõ Tàm bút. ร้อยค้าวแห่งโกเพราะฉะนั้นมี ที่อยู่อยู่กับการบริหารลําบากอยู่กับการบริหารชีวิต เสด็จด้วยพระไทยอันบริสุทธิ์เสมอด้วยกับจักรกว่า แสงเกิดจากดวงราดิษไม่มีสิ่ง แข่งเก่งรัศมีดุจจักรรัศมีของที่เกียวไว้ดีแล้วหรือง ย่อมจะอับแสงรัศมีได้ในคราวใด อาจะถูกเมฆหมอกควันมาบดบังหรือปกคลุมยักษ์มีสงครากิจ คังแรงก็ได้แต่ปัญญาในการตรัสรู้ของ ได้มวลกับความสว่างอันเป็น โดยสัตว์โสภณนั้นเก่งกล้าไม่มีสิ่งใดที่ เอียงอยู่กับความบริสุทธิ์ถึงจะไม่ด้วยใจของ รูปทางจิตใจจะทําให้เกิดจิตใจ บางครั้งครั้งการเข้าไปรู้เห็นสิ่งต่าง ไอ้ในจิตใจของเราบางขณะสงสัยคลายความ แม่เป็นเวลาชานานได้เป็นเวลาปรากฏในจิตได้ทั้ง เพียงขนาดหนึ่งถึงจะไม่เป็นฝりสมุติเขต ในขณะหนึ่งก็ดียังแสงสว่างคือจากภูมิแห่งปัญญาในฐานขณะ 1 ก็ดีก็ยังดีกว่าการที่พวกเรา ได้ทําการศึกษากับชีวิตรู้เสียเลยเรารู้เราเห็นเราเข้าใจ เพียงขนาดหนึ่งมันก็สามารถไปจนตลอดชีวิตไม่ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไพลเมติกเพราะอำนาจของ ที่จะมาลบล้างให้เลือนลาง โดยยาเป็นผู้ตาวูจมุกรินกายของ และเราก็หรือกระทําต้องปริยาปูนสู่ละลุกหรือ เอาธรรมหรือเรื่องอื่นนอกจากธรรมก็เช่นตา โอกะทบสัมผัสกับเสียงจมูกกระทบสัมผัสกับ ในทางมโนทวารเราทั้งหลาย สาขยายอยู่ 11 สำนึกจดจำคําไม่ในใจอยู่เสมอถ้าปล่อย เกิดจากสัญญาตัวนี้กระทบสัมผัสมันก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของสัญญา ถ้าเราไม่ต้องการที่จะมัน การเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นทางที่จะ ไกลนอกมีอย่างไรภายในจิตใจก็มีอย่างนั้น นามธรรมก็หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ ไม่ใช่นี้หานเกิดจากความคิดความรู้ธรรมดาและก็ เหมือนเหล่าปรุงอาหารเหมือนเหล่าปรุงวิหารแห่งนี้กว่ามันจะสําเร็จเป็นวิหารได้กี่วันวิหารธรรมรังสีเป็น เราจะรับประทานอาหารแต่ละมื้อหรือ มันก็มาจากข้าวสาลีข้าวสาลีมันก็มาจากข้าวกล้องข้าวกล้องมันก็มา มันมีเถอะทั่วอยู่กับทุ่งประทพีโน่นกลางทุ่งโน่นเค้าเรียก เห็นไหมไหมการว่าจะมาเป็นเข้าสุขของมันมากมายก่ายกอง ของคู่คู่ฉลาดเพราะมองเห็นว่าสิ่งทั้งปวง เป็นสิ่งที่ไม่มั่นไม่คงต่อธรรมชาตินี้หนาวจัดร้อนจัดเป็นได้ ตามกําลังของรากกิเลสตัณหาหรืออํานาจ ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างเรา หาได้กระทำสนองบันไดตามที่มันต้องการทั้งหมดทุกอย่างเลยนะแม้แต่อย่างนี้มันกําลังของมัน สิ่งที่มีชีวิตคือตัวตนของเรามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสังขารคือ แต่ความปรุงแต่งในคําว่าสังขารและธรรมตัวนี้ก็หมายถึงการปรุงแต่งใน มันก็มี 3 ในยะนุ 3 ลักษณะประเภทนั้น ก็เลยจะชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้เล็กๆน้อยๆคําว่าบาปนั้นก็หมายถึงว่าคือ อยากที่สุดที่สุดซึ่งเกิดจากกายบางเกิดจากวาจาบาง เป็นกรรมคือการกระทําที่อยากที่สุดแล้วเกิดที่จะไม่เกิดกรรมที่ คือเลยยกระทัยกว่านั้นมันอย่างกลางอย่างกลางเครื่อง Càm a chắn tha Càm a diuva la thầm Càm คิดวิจัยมาวัดคิดวิจัยขึ้นศาลาพอเดิน ไปเชื่อทางนี้เปลี่ยนแปลงความคิดและการมาของเราให้ มีแต่การให้เหลวรายมากจริงๆเนี่ยโภนิกามฉันทะแปลว่าความพอใจ Tama Tanna Tava Tanna, viprava Tanna Tiaja Tanna เมื่อเจ้าหรือมันมีอยู่แล้วมันอยากได้ในสิ่งที่มันไม่มี เป็นอยู่แล้วมันก็เบื่อในความเป็นเนี่ยเมื่อมันเบื่อในความมีความเป็นแล้วมันก็หาได้หยุดยั้งไม่มันก็ดิ้นรนกระเสือกกระสน มันไม่เพียงแค่ว่าไม่ใช่ของของที่เราเบื่อเท่านั้นไม่ใช่ อาจารย์นี่คําว่ามันจึงสามารถบิดมันก็คือตัว กันหรือถึงมีความตั้งใจตั้งใจดีไปดีกันมันขีดกันทั้งหมด เตวีทีเนจำกลางสารคีติที่จึงมัน อาจจะให้ความหมายว่าเป็นเรื่องใครเขาเราเล่น มันก็ต้องเกิดมาจากเรื่องที่ชั่วก็ต้องเกิดมาจากเรื่อง ฝังอยู่ในจิตใจของคนเลยสักไม่ เป็นสมบัตินอนเนื่องอยู่ในจิตใจของคนเพราะการแสวงหาความ ผู้ก็ยังดีความให้เราเข้าไปสู่ความรู้เห็นภายกับการที่จะเข้าไปแก้ก็ยัง เช่นอย่างเรามารู้เรามาเข้าใจถึง ด้วยเริ่มใจอันประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ดีรู้ชอบหวังจักได้ถึงบุญกุศลเช่นอย่างจิตใจของเรานั้นเกิดซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้า แห่งเป็นปัญญาคุณก็ดีพระบริสุทธิ์ที่นี่ เราก็ยังได้รับได้เห็นได้ นายจะสนนี่คันนี้ก็เพราะ ก็จะแปลแปลกอะไรก็ย่อมได้ดับขันธ์เข้า โดยที่พระองค์ได้ทรงรู้ใกล้จริง แลรู้ตามรู้ตามลอยไปอยู่ผล มีอย่างน้อยที่สุดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น กาลเทศะว่ากันแสดง 100 โซม แก้วโคเทพดินจินดาตลอดถึงแก้วนี่คือ ดุจดังนั้นก็ตามก็ไม่ Bà tràm, nay, tàn đàm. Con gật, nay, tốt. Nên, nân, có tàn. Mình có mê chìu ở bên sàn present? Có hả? Sín lé, có mê thầm, hay lâu, cú thị, nân, tòng, tôn, tốt. Thôn, dạc, thôn, phà, ngâm, bạc, thôn, tò นี่แต่โง่มากยิ่งขึ้นเรามาถึงพระๆแล้วถึงแม้เกิดเกิดตายเกิดเท่าไรยึดถือ ตายแล้วก็ไม่ไปนรกเยเกติพุทธังตนันตะ ยังทําผู้ถึงนั้นให้เก่าวงสุข เย็นอย่างนี้ไม่มีอะไรจะยินเท่ากับ นอกจากถูกเราจะพากันรักษาคําสั่งคําสอนของท่านผู้ดีให้กําเนิดเกิดเป็น วัฑฒโสgrad แก่ท่าน ไพร่พลเราทั้งหลายได้พากันประพฤติ ญาติผู้เราท่านทั้งหลายใยอุตสาหะ ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นอกุศลคําว่ากุศลมันเป็นสิ่งที่เกิดความนึกความคิดความวิตก เพื่อแก้ความติดตรึดในเรื่องของกามคือความใคร่ดังที่กล่าวมาแล้วจะเป็นรสรูปกาม เนื่องสาเหตุของการเปลี่ยนไม่ใช่วิตกแย่เดียวแล้วก็ตรงตรงนั้นอย่างนี้ก็เป็นถึงการเปลี่ยนซึ่งเป็นแล้วกันโดยวิธีการต่างๆทั้ง 3 ประการ ย่อย่อเพียง 3 ประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยังเสียงกลิ่นรสสัมผัสอัมพรเป็นไป น่าอยากกะอยากมีอยากเป็นนั่นแลคือทางของ คันที่แยกแยะจนตามภูมิของสติปัญญาของแต่ sc 77 pot s'un m' navigant เราอุ้มเลยลูกยิ่งนําเราไป Sà m'avutok nè. Prebà vitok nè, sà vitok nè. Men m'ajan nè. Array ben tuntat com. L'uxti-sup tò qui a vichà. Quà am lò, tot l'oclò, l'acatut a mò. Ni l'è. เป็นต้นฐานของมันมันหยัดลงไป มันจะยို့